สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธาพิบาลนะครับเราอยู่ในบทที่หนึ่งของ20กฎทองคำและกฎข้อแรกในวันนี้ก็ขออนุญาตขึ้นไปในประเด็นที่4ี่ครับก็คือการแบ่งปันพี่น้องครับเราอยู่ในวงจรของการแบ่งปันและกฎข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องแบ่งปันการให้นั้นคือการแบ่งปันครับ การแบ่งปันเป็นกฎพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในพระกัมภีพี่น้องครับเรามาถึงในวันนี้คือในประเด็นที่4เราจะต้องแบ่งปันในเรื่องความเมตตาปราณีครับเพราะจ้าน้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในในพระธรรมสองโคเรียนบทที่8ข้อที่9ครับความว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ยังทรงเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ท่านก็ควรจะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ขัดสนและในยามที่เขามีบริบูรณ์เขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสนอันนี้ปรากฏอยู่ใน2โครินธ์บทที่8ข้า14ครับ2โครินธ์บทที่8ข้าที่4มีเพิ่มเติมว่าและเขายังได้วิงวอนเรามากมายขอให้เขา มีส่วนในการช่วยทำพิฆชนด้วยใน2โครินโบที่9ข้อที่6 8 1นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวมากเพราะพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างกว้างขวางจะให้เกิดการขอบคุณพระเจ้าพี่นองครับพระคำภีในสองโครินบทที่8และบทที่9ที่ผมได้ยกขึ้นมาในหนังสือ20กฎทองคำของศาสนาจาันยร์ด็อร์ฟิลิปเทงนี้ท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าเปาโลได้เอาหลักการของการแบ่งปันมาสอนกฤษจัก ว่าเมื่อพวกเขาได้รับพระกรุณาจากพระเจ้ามาแล้วมากมายพวกเขาต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นท่านยกตัวอย่างพี่น้องที่ขึ้จากมาซิโดเนียบอกว่าพี่น้องที่ขึ้จากมาซิโดเนียนั้นเขาถวายจนเกินกําลังความสามารถของเขาในสองโครินโบทที่8ข้อที่สนี้ท่าน อคาทูปเปาโลนั้นได้ชี้ถึงหลักการของการหมุนเวียนคืนมาของการทำความดีหมุนเวียนคืนมาของการให้การแบ่งปันครับพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีแสดงว่าใครก็ตามที่ยินดีแบ่งปันความสุขยินดีแบ่งปั น, ค ว, น, ปนความดียินดีที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆที่เขาได้รับจากพระเจ้าให้กับคนอื่นคนคนนั้นจะได้รับ พระคุณมากมายทีเดียวพระเจ้าให้สัญญาว่าพระองค์จะให้พวกเรามีทุกสิ่งเพียงพอสำหรับงานที่ดีทุกอย่างหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อเรายิ่งให้เราก็จะยิ่งมีกำลังให้มากขึ้นอีกเรื่อยๆเยมื่อเรายิ่งให้เราก็จะยิ่งมีกำลังที่จะให้มากขึ้นไปเรื่อยๆพระเจ้าได้โปรดให้ผลแห่งความชอบธรรมเจริญยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณพระเจ้าครับและมันจะเป็นการหมุนเวียนในวงจรแห่งพระพรนี้ตลอดไปสรุปในบทที่9ข้อที่6ของ2โคดินบอกว่าคนที่หวานน้อยก็ได้รับน้อยคนที่หวานมากก็ได้รับมากคำว่ามากหมายถึงอุดมสมบูรณ์ครับมีอย่างพอเพียงเสมอมีสิ่งของที่ครบบริบูรณ์ เพิ่อมผีได้กล่าวย้ำนะครับในบทที่9นี้ถึง7ครั้งด้วยกันครับคำว่ามากพระเยซูได้ตรัสไว้ในพระธรรมลูกาบทที่หข้อ38จงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท้วนยัดสัน่นแน่นพูน ล, ล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้า จะได้ทรงตรวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นพระกัมภีร์ที่พระเยซูตรักมีประเด็นที่น่าสนใจและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับมีประเด็นน่าสนใจอยู่4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครับก็คือจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยเพียงครับเราสังเกตว่าประโยคนี้ไม่มีประธานครับไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนให้ คนที่ให้อาจจะเป็นคนด้วยกันเองยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าเป็นผู้ประธานให้พระเจ้าส่งอาศัยคนมาทำการตอบแทนการกระทำของเราพระองค์ทรงเป็นผู้กระทตาตามสัญญาของพระองค์ครับนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองครับคำว่ายัดสัรนแน่นพุนล้นใส่ให้เป็นคาขยายความแบบสุดๆไปเลยครับ หมายถึงการตอบแทนที่เราจะได้คืนมานั้นอุดมสมบูรณ์จนเต็มล้นเหลือเกินกว่าที่เราจะขาดคิดได้คำว่ายัดสั่นแน่นพูน ล, ล้นผมเคยได้ยินคำเทศนาเปรียบเหมือนกับการที่เรานั้นได้ตักเอาเข้าวสารครับปกติแล้วเมื่อเราซื้อข้าวสารพ่อค้าตักให้เราก็จะปาดขอบใช่ไหมครับ ถ้าใส่กระป๋องแล้วจะปาดขอบครับอันนี้เป็นการขายข้าวสารในสมัยโบราณก็คือมีกระป๋องหนึ่งกระป๋องคือ1นึงลิตรอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือการขายข้าวสารของพ่อค้าแต่พระเจ้าของเราจะยัดสั่นแน่นผูลนล้นหมายความว่าเมื่อเอาที่ปาดปาดปากกระป๋องแล้วยังไม่พอครับ ยังต้องยัดเพิ่มขึ้นไปอีกสั่นให้มันแน่นครับแล้วก็พูนเข้าไปพูนได้เท่าไหร่ก็พูนเข้าไปนั่นคือภาพของการยัดสันแน่นพูนล้นในบริบทของพวกเราซึ่งเป็นประเทศที่ค้าข้าวครับประเด็นที่3ครับก็คือคำว่าให้ปรากฏอยู่ในในพักอัมภีตาร น, นี้4ครั้งด้วยกันให้ ให้ให้ให้ครับพี่น้องครับปรากฏอยู่สี่ครั้งด้วยกันเป็นคำเน้นคำหลักครับที่มีความสำคัญก็คือการให้และข้อสังเกตประการสุดท้ายครับในพระคัมพี์ตอนนี้นั้นมีคำคาหนึ่งครับทุกซ่อนไว้นั่นคือคำว่าเชื่อหากไม่ได้เชื่อว่าเป็นการกระทาที่สำคัญ หากไม่เชื่อว่าการกระทำนี้มีคุณค่าและนำพระพรตัวเขาจะไม่ได้ครับตัวเขาก็จะไม่ให้ออกไปอย่างแน่นอนนั่นคือข้อสังเกตของศาสนาจาันทร์ดรฟิลิปเทงท่านได้กล่าวต่อไปครับว่าที่ฮ่องกองมีหมอคนนึงท่านถวายเงินเป็นกองทุนการศึกษาจำนวนมากเพื่อให้อนุชนผู้ยากไร้ได้เรียนมหาวิทยาลัย ก็มีคนถามท่านว่าทำไมท่านถึงทำแบบนี้ท่านก็เป็นพยานเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กอาศัยอยู่ในชนบทเมืองกวางสีพอแม่ยากจนครับส่งท่านเรียนได้แค่ชั้นประถมศึกษาเท่านั้นไม่มีปัญญาส่งต่อชั้นมัธยมแต่มีพี่น้องคริสเตียนคนนึงมีความรักในพระเจ้าเห็นว่าท่านเป็นคนมีแววได้ส่งเสริมให้ท่านเรียนระดับมัธยมศึกษา และเรียนต่อคณะแพทย์ที่แมวลา ย, ยลังกวางสีเมื่อท่านเรียนจบแล้วท่านก็เป็นหมอรักษาโรคอยู่ที่เมืองกวางสีต่อมาย้ายไปอยู่ฮ่องกงมีรายได้ดีขึ้นท่านหวนคิดครับหวนคิดถึงที่มาของตัวเองว่าเดิมทีท่านไม่มีอะไรท่านไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นหมอได้ระดับนี้ที่ท่านเป็นได้ทุกวันนี้เพราะมีคนสนับสนุนการศึกษาของท่านให้ทุนเรียนท่านขอบคุณพระเจ้าด้วยความซาบซึ้งท่านตัดสินใจมอบเงินมหาศาล ของท่านเพื่อสา ร, ระสูนอนุชนให้ได้เรียนมหาวิทยาลัยต่อไปข้าบเจ้าเชื่อว่าผู้ได้ทุนการศึกษาของท่านก็จะประทับใจด้วยเช่นเดียวกันแล ะ, จะเจริญรอยตามแบบอย่างที่ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปด้วยเหมือนคนคนหนึ่งเอาก้อนหินปาลงไปในน้ำก็เกิดคลื่นแต่กระจายออกไปรอบๆและแต่ละรอบก็ขยายวงคลื่นกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องครับนี่คือประเด็นที่สี ของการแบ่งปันครับเราต้องแบ่งปันในเรื่องของความเมตตาปราดีช่วยเหลือคนอื่นๆอย่างเต็มที่เต็มกำลังของเราอย่าลืมครับว่าพระเจ้าจะให้เราเมื่อเราให้คนอื่นครับเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นพี่น้องครับมีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่พันธกิจของพระเจ้ายังขาดทุนทรัพย์ขาดหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่พร้อมแต่ว่าพระเจ้าได้ให้โอกาสเราในการที่เราจะรับพระทาเมื่อเราให้ออกไปในงานของพระเจ้าเราไม่เคยขาดทุนและที่สําคัญมากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราได้สัมสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ครับที่ไม่มีใครที่จะขุด ขโมยและลักลอบเอาไปได้มันจะอยู่กับเราที่นั่นตลอดไปเป็นนิดนี่คือความคุ้มค่าเป็นการลงทุนจากสิ่งที่หายไปได้จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายตลอดไปเป็นนิดอาเมน